ทำให้เรามีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและต้องจำกัดจำนวนบริขารของเราด้วยดังนั้นที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามแบบของพระพุทธเจ้าคือการงดเว้นจากความชั่วและทำความดีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานชำระ จ, จิตให้บริสุทธิ์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 ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย 9. ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับวิธีฝึกปฏิบัติวิธีภาวนาวิธีอื่นๆอย่างไรทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมายและมีแนวทางการทาสมาธิวิปัสสนาหลายแบบจนทาให้สับสน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 การปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง 14. ท่านอาจารย์เคยพิจารณาสูตรของเว่ยลางของพระสังฆปรินายกนิกายเซนองค์ที่หกบ้างไหมท่านเว่ยหลางหรือท่านหุยหนึ่งนั่นเองท่านหุยหนึ่งมีปัญญาเฉียบแหลมมาก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 ถ้าท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตัวท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านอุยหน่งได้สิบห้าท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมถะหรือสมาธิและวิปัสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกันขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องง่า ย, ายนี่เองสมาธิสมถะและปัญญาวิปัสนานี้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 าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตเป็นสิ่งจําเป็นแล้วทําไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันท่านคิดว่าไม่สําคัญหรือที่อาจารย์จะต้องทําตัวเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ถูกแล้วอาจารย์ควรจะทําเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตนไม่ถือว่าท่านติดท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบแต่ว่ามันก็สําคัญที่ท่านต้องไม่ยึดอยู่กับอาจารย์ถ้าดูจากภายนอก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 บางคนขับช้าๆแต่มีอุบัติเหตุบ่อยๆอย่ายึดมั่นถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอกถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพียง 10% มองดูผู้อื่นแต่เฝ้าดูตัวเอง 90% อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วแรกๆคอยเฝ้าสังเกตอาจารย์ก็คืออาจารย์ทองรัฐและเกิดสงสัยในตัวท่านมากบางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้า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 เราเจ้าชนะการราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรบางครั้งรู้สึกเป็นทาตของความต้องการทางเพศการราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความน่าเกลียดโโรครโคอสุภะการยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดโตงข้างหนึ่งซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้ามจงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพ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 และฉันอาหารพื้นเมืองของเราเองแม้กระนั้นบางวันเราก็ทอดอะไรเราอยากศึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดจากความเห็นผิดมิจฉาทิฐิเมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบ